ความชนะที่ไม่กลับแพ้อีกพระพุทธภาสิตอตาฮาเวชิตังเซโยยาจายังอิตราปะชาอตตะดันตัสสะโปสสะนิจังสัญญะทะจาริโนเนวเดเวโวนคขันทัพโบนะมาโรสหะบรา ม, มุนาจิตังอปะชิตังกยิราตท่ารูปสะชันตุโนแปลความว่า การชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่าชนะคนอื่นไม่ประเสริฐเท่าความชนะของคนที่ฝึกตนดีแล้วประพฤติสำรวมอยู่เป็นนิดนั้นเทวดาคนทันมารพรมก็ทำให้กลับแพ้ไม่ได้คือเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดอธิบายความการชนะตนได้อธิบายมาพอสมควรแล้วในเรื่องที่สามในที่นี้จะขอกล่าวถึงการฝึกตนและการสำรวมตนเป็นนิพอสังเขป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 เห็นแล้วน่ารักน่าเลื่อมใสจะหยิบของวางของก็ไม่สุ่มซ่ามให้เห็นเป็นสะเพร่าเมื่อรับประทานอาหารก็เรียบร้อยจานช้อนสะอาดไม่รับประทานให้เปิดถ้าจําเป็นต้องใช้มือรับประทานก็ล้างมือจนสะอาดและใช้เพียงปลายนิ้วหยิบคำข้าวไม่ให้ข้าวหรือแกงเปิอะไปถึงโคนนิ้วไม่ใช้มือเปื้อนหยิบภาชนะน้าและระวังไม่รับประทานให้มีเสียงดังจับับ ไม่ให้เม็ดข้าวลนจากปากขณะรับประทานและไม่พูดขณะมีคําข้าวอยู่ในปากเม็ดข้าวอาจกระเด็นถูกหน้าคนอื่นแม้ไม่เป็นอย่างนั้นคนอื่นมองเห็นคําข้าวในปากขณะพูดก็ดูน่าเกลียดทําคําข้าวให้ดีก่อนแล้วจึงส่งเข้าปากเคี้ยวอย่างระมัดระวังเพื่อมีก้อนกรวดหรือก้างปลาจะได้นําออกได้ไม่เคลื่อนไหวกายโดยไม่จําเป็นเช่นนั่งกระดิกขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าผู้ใหญ่ แม้การนั่งกวายห้างคือเอาขาซ้อนกันก็ต้องระวังให้รู้จักที่รู้จักบุคคลเมื่อยืนคำศรีรษะผู้ใหญ่ไม่นอนบนที่นอนของผู้อื่นโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของไม่ถูกเนื้อต้องตัวคนที่ไม่สนิทสนมไม่ประพฤติกับผู้ใหญ่ทํานองเดียวกับที่ผู้ใหญ่ประพฤติต่อตนเช่นผู้ใหญ่อาจโอบไหล่ผู้น้อยได้ด้วยความรักใคร่สนิทสนมแต่ผู้น้อยจะทําเช่นนั้นกับท่านไม่ได้ ผู้ใหญ่รูปศีรษะผู้น้อยได้ด้วยเมตตากรุณาแต่ผู้น้อยจะกระทำเช่นนั้นกับผู้ใหญ่ไม่ได้พยายามศึกษาเสน่ห์ว่าอะไรตนควรทำและไม่ควรทำยังมีเรื่องอื่นอื่นอีกมากพูดไว้เพียงย่อยๆเท่านี้ทำอย่างนี้ได้เรียกว่าฝึกกายให้งามอีกอย่างหนึ่งร่างกายและเสื้อผ้าจะต้องอยู่ในลักษณะที่สะอาดอยู่เสมอถาวายเล็บยาวก็หมั่นแค่ขี้เล็บออกไม่ให้มีกีเล็บปิดดำอยู่ดูน่าเกลียด การฝึกวาจาการพูดเป็นการแสดงถึงหลายอย่างในตัวคนเช่นแสดงถึงอุปนิสัยนิสัยอัธยาศัยและการศึกษาอบรมนิสัยคือการกระทาจนเคยชินคนที่พูดคำอย่างใดมาจนเคยชินเจะแล้วย่อมพูดคำอย่างนั้นได้ง่ายอุปนิสัยคือความโน้มเอียงคนมีความโน้มเอียงไปอย่างใดย่อมชอบพูดถึงเรื่องนั้นอยู่เสมอรู้สึกมีความสุขที่ได้พูดถึงเรื่องอย่างนั้น อัธยาศัยคือความหยากหรือความประนีตของจิตใจพื้นเพของจิตใจคนมีอัธยาศัยหยากชอบทำอะไรอยากพูดอยากคนมีอัธยาศัยประณีตทำอะไรประณีตพูดไม่อยากการศึกษาอบรมคือการได้เรียนรู้และได้เห็นผลของการปฏิบัติตามความรู้นั้นการเรียนรู้อย่างเดียวยังไม่เคยได้ปฏิบัติตามให้เห็นผลเรียกว่าการศึกษา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 ไม่พูดเหลวไหลจนไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคาไม่พูดตำหนิมิแท้หรือเพื่อนรักของตนให้ใครฟังไม่ด่าว่ามาราบิดาในเชิงประจานความชั่วให้คนอื่นเห็นไม่พูดเรื่องโสโครกสกปรกในวงอาหารไม่นำเรื่องการได้เสียหลับนอนกับหญิงคนรักของตนมาเปิดเผยให้ใครทราบไม่พูดคำหยาบเล่นถ้าจำเป็นต้องพูดก็เลี่ยงหาคาอื่นแทนในทางตรงกันข้าม ควรพูดถอมตนถ้าจําเป็นต้องอ้างถึงคุณของตนบ้างก็พูดแต่พอ ง, งามและควรตั้งจิตมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังว่าด้วยการพูดอย่างนี้เขาจะได้สติได้ตัวอย่างที่ดีเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงกระทํำควรพูดยกย่องให้เกียรติผู้อื่นตามควรแก่คุณธรรมความดีหรือความสามารถของเขาทั้งต่อหน้าและลับหลังควรพูดคําอันก่อให้เกิดความสนิทสนมรักใคร่สามัคคีมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต พูดเสียงพอประมาณในขณะรับประทานอาหารถ้าจำเป็นต้องพูดไม่ทำเสียงรบกวนคนใกล้เคียงพูดให้ผู้อื่นมีความภาคภูมิในตัวเองให้มีกำลังใจในการละเว้นความชั่วประพฤติความดีพูดยกย่องคนที่ควรยกย่องตำหนิคนที่ควรตำหนิพูดจะมีเหตุมีผลมีหลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้พูดยกย่องคุณของมิตร หรือเพื่อนรักให้ปรากฏแก่ผู้อื่นยกย่องสันเสริญพระคุณของมารดาบิดาและผู้มีพระคุณอื่นๆเท่าที่พอจะหาได้มีปะกะติประกาศเกียรติคุณแห่งผู้มีอุปการะต่อตนพูดด้วยดวงจิตมีเมตตากรุณาพูดด้วยความจริงใจด้วยการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นว่ารู้ไม่เท่าตนการพูดด้วยไม่จริงใจนั้นเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นว่ารู้ไม่เท่าตน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 ปัญญาคืออาการที่ดวงจิตสว่างสวัยด้วยเหตุผลมีลักษณะแทงทะลุเหตุการณ์และปัญหาต่างๆโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งปัญหาชีวิตกล่าวให้กว้างออกไปควรฝึกใจให้มีเมตตาครุณาต่อบุคคลและสัตว์ทั้งปวงให้มีความรับผิดชอบหน้าที่และต่อสังคมปราศจากความริษยาพยาบาทมีความสุดจริตใจบริสุทธิ์ใจต่อผู้อื่นใครคบหาสมาคมด้วยก็เย็นใจ มีความสุขแช่มเชินฝึกใจให้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวฝึกใจให้คุ้นอยู่กับความดีเขินห่างความชั่วไม่ให้ใจขาดแคลนความดีคนไม่มีความดีในตนที่จะพอยกขึ้นอ้างได้ว่ามีดีทางใดบ้างนั้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโมฆะบุรุษแปลว่าคนว่างเปล่าจากคุณธรรมเพราะฉะนั้นควรจะต้องบรรทุกความดีเข้าไว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 การฝึกใจในสมถะและวิปัสนาเพื่อนำตนให้พ้นไปจากโลกอันยุ่งเหยิงนี้เป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมลงในคำว่าการฝึกตนในหมู่มนุษยาา์ด้วยกันคนที่ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดคำบาลีว่าดันโตเซโทมนุเซสุสมควรฝึกผู้อื่นจะฝึกได้ดีอย่างเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสาวกผู้มีธรรมของพระสัมมาสัมพธธุทธเจ้าทั้งบรรพจิตและกุเลหัดแม้จะเป็นบนรรพชิตแต่ยังไม่ได้ฝึกตนก็ไม่ควรฝึกผู้อื่นกล่าวสอนผู้อื่นการสอนด้วยธรรราโดยไม่ได้มีประสบการณ์ทางจิตด้วยตนเองนั้นไม่ก่อให้เกิดผลอย่างใดแก่ผู้ฟังหรือผู้ได้อรับการแนะนำเป็นทำนองคนผอมโฆษณาขายยาอ้วน คนสีสระล้านโฆษณาขายยาปลวกผมคนโกงกล่าวทามเรื่องสุจริตเป็นต้นบุคคลที่ฝึกตนได้แล้วการทําการพูดและความคิดเห็นของเขาย่อมเป็นบทสอนคนอื่นอยู่ในตัวแม้เขาจะไม่ได้ตั้งใจสอนสอนโดยการทําให้ดูมีผลยิ่งกว่าการสอนเพียงแต่ปากเพราะโดยปกติตัวอย่างที่บุคคลได้เห็นนั้นย่อมเด่นชัดกว่าคําสอนเสมอ ได้ผู้เรื่องการฝึกตนมาพอสมควรแล้วต่อไปนี้จะพูดเรื่องการสัมรวมตนในพระบาลีว่านิจจังสัญยตะจาริโนคือประพฤติสัมรวมตนเป็นนิสศัพทธรรมใช้คำนามว่าสัญญมะความสัมรวมตีความว่าการระวังตนให้อยู่ในกรอบแห่งความดีลักษณะแห่งผู้สัมรวมตนพึงทราบได้ดังต่อไปนี้หนึ่งไม่ขนองกาย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 เช่นการด่าทอกันด้วยคำหยาบ ก, การประหัตประหารกันด้วยเหตุอันไม่สมควร 4. การสารวมตนอย่างสูงคือการสารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายพอใจหรือเสียใจในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสควบคุมตนให้อยู่ในขันติโสรจะจักรมีความแช่มชื่นสง่างามอยู่ด้วยธรรมคือขันติโสรจะจักนั้น ไม่ปล่อยตนให้ตกไปอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาหลามมกประคับประคองตนให้อยู่ในกรอบแห่งธรรมบุคคลผู้มีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้สำรวมตนผู้ชนะตนฝึกตนและสำรวมตนอย่างนี้ชื่อว่าได้รับชัยชนะที่ไม่ขับแพ้อีกเพราะชนะกิเลสอันเป็นโจรและเป็น่าศึกอันร้ายกาที่สุดในชีวิตมนุษย์เรื่องนี้พระศาษษสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณเชทวนารามมึงสาวัตถี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 พระศาสดาตรัสตอบว่าทรงทราบทั้งสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์พราหม์ขอให้ตรัสบอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์หประการตอ่อไปนี้ไม่มีประโยชน์ใครประพฤติเข้ามีแต่ความเสื่อมความวิบัติคือหนึ่งการนอนตื่นสายเกินสองความกิดคร้านสความหลุยไรสี 4. การนอนมาก 5. การเดินทางไกลคนเดียว 6. ก, การคบหาปัญญาของผู้อื่นพรามทลนลองประพฤติดูเถิดสิ่งไม่มีประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่ท่านพรามฟังแล้วพอใจยอมรับว่าพระศาสดาทรงทราบทั้งสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์พระศาสดาตรัสถามพรามว่าประกอบอาชีพอะไรพรามณ์ทูลตอบว่าเล่นการพนัน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 อาตาฮาเวชิตังเซโยเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น